ก่อนเข้าพระอุโบสถต้องกล่าวคำวันทาอนุโมทามิแล้ว สัพพังอปาราธังคมะถเมภันเตอุกาสะทวารัตตะเยนะกตังสัพพังอปาราธัง สารีนาก็สาธุสาธุอนุโมทามิแลมาหน้าพุทธบูชามหาเตชวันโต ธัมมะบูชามหาปัญโญสังฆบูชามหาโภควะโหติโรคนทังอภิปูชยามิเสร็จ